ข้อความในคำพีคุทธการนิกายพุทธวงศ์ต่อจากครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ประสูตรจากพระคันพระพุทธมารดาในหน้า6กรอก้าสิบแดพระโพธิสัตว์นั้นตอนที่ประสูตรพระองค์นั้นไม่แดเปื้อนไปด้วยมนทินแห่งคันเลยแล้วก็มีท่อน้ำ ท, ท่อน้ำเย็นน้ำร้อนหรือท่อน้าอุ่นเนี่ยนะ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 นอกจากว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นั่นนะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ที่ประสูตรออกมาแล้วกล่าวอาสพิวาจาหรือพูดได้นี่นะคลอดเสร็จแล้วพูดได้มีอยู่สามชาติด้วยกันสมอัตภาพสามอัตภาพหรือสามชาติมีชาติไหนบ้างบอกว่าชาติที่เป็นมโหสถชาติที่หนึ่งะเป็นมโหสถมีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นประสูดจาก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 เจ้าเกิดมาในตระกูลที่มีทรัพย์แล้วนะแต่ในอัตภาพนี้พระองค์เปล่งสีหานาฏบรรลือสีหานาฏอย่างใหญ่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์นั้นพอออกจากพระคันพระมารดาก็เปล่งวาจาใน3อัตภาพด้วยประการชนิดอันวาจาครั้งสุดท้ายนี้เป็นวาจาที่องค์อาจมากขณะที่พระองค์สมภพหรือประสูตินั้นมีปุบพะนิมิตสามสประการ แต่ว่าในสมัยใดเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเราสมภพณลุมพินีในสมัยนั้นขณะที่ประสูรหรือคลอดออกมานั้นน ะ, นะพระเทวีมารดาพระราหุลก็สมภพด้วยหรือประสูด้วยคลอดด้วยนะพระอานนท์พระชนะกาลุทายีอมาตพยา ม, มากันทกะต้นมหาโพเพลกและม้อขุมทรัพหรือว่าขุมทรัพทั้งทั้งสี่ก็เกิดขึ้น ขุมทรัพย์ทั้งสนั้นไม่ใช่เป็นแค่ม้อธรรมดานะเป็นเหมือนเทือกภูเขาทองว่างั้นเหมือนเทือกภูเขาทองเนี่ยผลขึ้นมาใหญ่มากแต่ละแต่ละเทือกนั้นใหญ่มากกล่าวว่ามีสมบัติมากพอที่จะเป็นจักรพรรดิได้ว่างั้นบรรดาขุมทรัพย์ทั้ง4นั้นขุมทรัพย์หนึ่งขนาดหนึ่งขาวุธขาวุธก็ประมาณสัก4กิโลเนี่ยนะอีขุมทรัพย์หนึ่งก็มีขนาดประมาณครึ่งโยธก็ประมาณ8กิโลขุมทรัพย์หนึ่งก็สาขาวุธก็คือ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 ชาวนาครทั้งสองคือชาวนาครักดกะบิลพั์กับชาวนาครเทวทหะพาพระมหาบุรุษไปยังกรุงกบิลพัทในวันนั้นนั่นแหลหมู่เทพในชั้นดาวเดืงก็ร่าเริงยินดีว่าโอรสของพระเจ้าสุดโทธนามหาราชในกรุงกบิลพัทนี้จักประทับนั่งณโคนโพพึกจะได้เป็นพระพุทธเจ้าะนะเทวดาเหล่านั้นก็ดีใจพากันยกแผ่นผ้าเป็นต้นขึ้นบอกสะพัดเล่นกรีธา ก็เหมือนกับว่าชายชนะของเหมือนกับพวกนักกีฬาเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองชนะเป็นยังไงก็ยกพงโบไปโบมามีความสุขเพลิดเพลินมากฉันใดเทวดาเหล่านั้นก็ฉันนั้นดีใจมากที่พระโพธิสัตว์ได้ประสูดมาแล้วและท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพวกเราทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมเป็นต้นดีใจมากสมัยนั้นดาบทชื่อว่ากาลเทวระหรือว่ากาลเทวินเนี่ยนะ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 มันมีงานเทศกาลอะไรวนั้นเทวดาทั้งหลายก็บอกว่าท่านผู้เนรทุกข์โอรสของพระเจ้าสุดโทธนะนี้เกิดแล้วโอรสของพระองค์นั้นจักประทับนั่งที่โพธิมันทสสถานเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะประกาศพระธรรมจักด้วยเหตุนี้เราจึงยินดีต่อพระองค์ว่าพวกเราจะได้เห็นพระพุทธลีลาอันไม่มีที่สุด พุทธลีลาก็คือการเยี้ยงกรายของพระพุทธเจ้าพแปลว่าแบบไม่มีที่สิ้นสุดทั้งผวรกายทั้งพระธรรมเทศนาผล เ, เราก็จะได้เห็นอะไรว่าอนุตริยะเลยลอย่างด้วยกันดา บ, บทกาและเทวินเนี่ยนะได้ฟังคําของเทวดาเหล่านั้นแล้วก็ลงจากเทวโลกอันสว่างสวัยด้วยรัตนะนนเป็นเทวโลกที่น่าดูอย่างยิ่งเข้าไปเฝ้าเอ่อเข้าไปยังราชนิเวศ ข, ของอ่านรึกอ่านรกบดี นเรบดีก็คือเป็นใหญ่ในหมู่นรชนเนี่ยนะก็คือพระเจ้าสุโทโธทนะนั่นเองไปถึงก็นั่งเนื้อบวรอาธที่เขาจัดตั้งเอาไว้ก็คืออย่าลืมว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าสุโทโธทนะเคารพกราบไหว้มากแล้วก็จัดให้อย่างดีกาลเทวินดาบทก็ทูลปฏิสันถานกับพระราชาว่าขอถวายพระพรได้ข่าวว่าพระโอรสของมหาบาพิษสมภพแล้วอาตมาภาพอยากจะเห็นพระราชโอรสองค์นั้นอะ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 แท้จริงแล้วบุคคลอื่นชื่อว่าอันพระโพธิสัตว์เพึงไหว้ในอัตภาพนั้นไม่มีชาตินั้นไหว้ใครไม่ได้เลยไหว้ผู้ใดศีรษะของผู้นั้นจะแตก7 เ, เสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่ดาบดาบจะศีรษะแตก7 เ, เสี่ยง พ, พระบาทของท่านก็ไปประดิษฐานไว้บนยอดชดาเรียกว่าไปยืนเหยียบหัวหนู่นแหละว่า ง, งั้นดาบดนั้นก็ลุกจากอาสนะประคองอัญชฉลีต่อพระโพธิสัตว์พระ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 อันนะันตาก็เห็นไม่ได้หูก็ฟังไม่ได้ใช้ระบบสัมผัสสรุปว่าสื่อสารกันไม่ได้ทุกปักโดยประการตั้งปวงพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะสงเคราะห์ผู้อื่นก็ด้วยการเทศเป็นต้นแสดงธรรมให้เขาฟังเมื่อเขาหูหนวกเสอย่างเดียวก็โอกาสที่จะฟังธรรมก็ไม่มีอีกแล้วเนีเพราะฉะนั้นก็เลยพอรู้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้ตรัสรู้ธรรมในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าร้องไห้เลยร้องไห้ว่าเราจักไม่ได้เห็นอัจฉริยะบุรุษเช่นนี้ ผู้เป็นพระพุทธเจ้าเรานี่เสื่อมใหญ่แล้วเนาะเสื่อมจากอะไรก็เสื่อมจากโสดาปฏิมัติเสื่อมจากสกท า, าคามิมัติเสื่อมจากอนนาคามิมัติเสื่อมจากอรหัตตมัติเสื่อมจากมัติผลน่ะเอาถามว่าแม้ถึงขนาดระดับเนวสัญญาณนาะสัญญาญตนะแม้น่าจะดีกว่าโสดาปฏิผลไม่ใช่หรือบอกไม่โสดาปฏิผลเนี่ยประเสริญยิ่งกว่าทิปไตยในแผ่นดินแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยนะ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 เศษเซี่ยวหนึ่งในนั้นก็ยังยิ่งใหญ่กว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะเป็นมหคตะใหญ่ก็จริงแต่โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลอภประมาณนะมีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เป็นคุณธรรมที่หาประมาณไม่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเคลื่อนจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมาเกิดใน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 ก็คือพักผ่อนไม่ต้องเหมือนก็นว่าไม่ต้องเห็นไม่ต้องไดย้ยินไม่ต้องจะปวดปวดเมื่อยไม่ต้องอดอยากหิวโห้ยไม่ต้องอะไรสักอย่างเป็นผู้ที่มีความสุขสบายเนี่ยนะสุขที่สงบประณีตเรียกว่าสันตาวิหารธรรมเข้าไปเป็นอนเนชชาวิหารธรรมเป็นธรรมที่อยู่เป็นสุขเป็นธรรมที่อยู่สบายธรรมที่อยู่เป็นสุขธรรมที่อยู่สบายอันนี้เนี่ยกวระยะเวลาแป่นสี่พันกับ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 ถ้าหากว่าท่านพลาดจากโสดาปฏิมศโสดาปฏิพลฤทธ์ที่เรียกว่าสัตธธรรมนิยามการถูกต้องโดยชอบแห่งกุศลธรรมท่านนี่เสื่อมมากเสื่อมเหมือนอะไรเหมือนกับพ่อค้าพลาดโอกาสกําไรงามๆต่อหน้า ต, ต่อตาแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแว่าถ้าถ้าพ่อค้าโบราณก็คือแสนหนึ่งแสนหนึ่งสมัยนี้ก็โอเป็นหลายสิบล้านเนยนะเป็นสิบล้านก็คือโอกาสที่จะรับทรัพย์ไปต่อหน้าต่อตาแล้วพลาดอ่ะ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 มันทั้งก็เสียใจมากขนาดคนที่ได้ฌานเนวะสัญญานาสัญญายาตนะเขายังเสียใจเลยเสียใจว่าตัวเราเองเนี่ยจะพลาดจากโอกาสนี่ก็มาคิดถึงพวกเราทั้งหลายถ้าเราพลาดโอกาสจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะไม่ได้เศษเสี้ยวอะไรของเนวสัญญานาสัญญายาตนะเลยเป็นประเภทพวกปริตตะเนี่ยนะถ้าเทียบกับอาลาล ะ, ะกาลเทวินดาบทเนี่ยห่างกันไม่รู้กี่ร้อยชั้นเหมือนกันเลยห่างกันจริงๆเลยนะ ห่างเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งลักษณะแบบพวกมหากุศลทั่วไปซึ่งบางพวกวก็ทิติภาคยะบางพวกวก็หานะภาคยะก็ไม่ได้แปลว่าเจริญยิ่งอะไรเทาสักเท่าไรน่นะแล้วกว่าจะพัฒนาคุณภาพไปสู่ระดับฌานระดับทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานระดับอรูปฌานเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ของง่ายบอกอ้าวจะถือเอาดีทางมิปัสนา บอกว่าเออฉันเนี่ยไม่สมารถ ท, ทั้งนั้นแหละฉันจะถือเอาดีทางวิปัสนาบอกวิปัสนาเป็นยังไงว่า ง, างั้นพอไม่ที่จะพ้นทุกข์ว่างั้นเถอะวิธีการที่เราเจริญอยู่เราพิจารณาอยู่เราใครีครวญอยู่นี่มันดีจริงหรือ อันนี้ต้องต้องหมั่นสอบสัมภาษณ์ตัวเองนะเออเนี่ยเห็นอะไรก็อั น, นิีจังไปหมดเลยไม่เที่ยงไปหมดเลยมันปิดอบายได้ยังไงเนี่ยยังสงสัยอว่างนั้นคนะอันนี้ไปที่จริงอ่ะนะก็น่าเป็นโจทย์ที่ไปคิดเออเห็นอะไรก็อั น, นิีจังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็เนี่ยชาติชรามรณะนี้ทุกนี้ทุกขสมมูทัยเป็นต้นเนี่ยช่วยให้เราบรรลุโสดาปติพนได้ยังไงมีได้ดีอย่างไรทําไมจึงช่วยให้เราพ้นทุกได้ อันนี้ต้องเป็นโจทย์ถ้าเราตอบไม่ได้นะเชื่อเหอะทําได้ไม่นานก็จะเลิกทําถามว่าทําไมเพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดียังไงเขาว่าดีก็แล้วกันนวะ่ากัน้นใครว่าดีก็นี่ไงคำพีท่านว่าดีก็เลยเอาตามมั่งเอาก็ดีก็ไม่ทําอ่ะนะก็ไม่ได้เถียงไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่เพียงพอเชื่อไว้เลยหานะภารยะหานะภารยะแปลว่ารอวันเจ็งรอวันเจ๊งวันคืนผ่านไปเนี่ยนะ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 ถูกต้องยิ่งชําระยิ่งผ่องใสนะตัวที่ชําระปัญญาตัวชําระความเข้าใจนั้นคืออะไรคือสมาธิและศีลเป็นต้นเราะนั้นเอาคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยมาพิจารณามาใคร่ครวนมาทบทวนอ่าให้ให้ละเอียดให้รอบครอบถ้ารอบครอบดีอยู่แล้วเราก็จะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็จะเป็นวิเศษภาคยะแล้วก็น้อมไปเพื่อนิเพ ท, ทภารกิ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อบอุ่นใจจะได้มั่นใจว่าคุณธรรมที่เราเจริญนั้นช่วยเราทําถึงที่สุดให้แห่งทุกข์ได้จริงเนี่ยนะมันก็หมั่นโอกาสหมัน่นใคร่ครวญมันทบทวนไม่อย่างนั้นก็น่าเสียดายน่าเห็นใจนีทีนี้ย้อนกลับมาที่กาละเทวินดาบทร้องให้เนี่ยนะมนุษย์ทั้งหลายมองเห็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ใหญ่ร้องให้ในแม้ทึงกันนะก็เลยถามว่าพระผู้เป็นเจ้าของเรา เมื่อกี้ก็หัวเราะอยู่ดีๆแล้วก็กลับมาร้องให้อีกอันตรายอะไรๆจากมีแก่พระลูกเจ้าของพวกเราหรือไม่ได้ห่วงฤาษีที่หัวเราะร้องให้หรอกแต่ห่วงว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นยังไงนองั้นฤาษีกาลเทวินก็ตอบว่าอันตรายปัญหาอุปสรรคสิ่งที่น่ากลัวเหล่าใดไม่มีแก่พระลูกเจ้านั้นหรอกพระลูกเจ้าจากเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยอันนี้คือเหตุที่หวัวเราะ เหตุที่หัวเราะท่านไม่มีอันตรายสุขภาพดีเจริญเติบโตและเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนมนุษย์ทั้งหลายก็ถามต่อไปอีกว่าเอ้าถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ท่านได้ดิบได้ดีจนเป็นพระพุทธเจ้าในตอนท้ายร้องให้ทำไมทำไมจึงร้องให้ดาบทก็ตอบว่าตัวเรานี้เศร้าใจถึงตัวเองนี่นะเกิดว่านึกสงสารตัวเองจนร้องให้นันนเออตัวเองน่าสงสารขนาดไหน เพราะจะไม่ได้เห็นอัจฉริยะบุรุษผู้น่าอัศจรรย์เช่นนี้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเรานี่เสื่อมใหญ่นออย่างนี้ก็ร้องให้อ่นนะกาละเทวินเนี่ยนะคล้ายกับพวกเรากาลเทวินเนี่ยท่านเหมือนพวกเราตอนที่ว่าท่านมาตอนก่อนของเรามาตอนหลังเนี่ยนะเรียกว่ามาก่อนฝนตกกับหลังฝนตกนกาละเทวินเนี่ยนะมาตอนก่อนฝนตกเหมือนกันเถอของพวกเรานี่มาหลังฝนตก แต่ก็มาฝนคือพระธรรมตกก็เหลือแต่น้ําหมือะนะใครไปเก็บไปรองเอาจากตรงไหนไปขอตักขอต่ออะไรที่ไหนก็ยั้งเลยแต่ว่าที่แน่ๆก็มาแค่ว่าก่อนฝนกับหลังฝนของพวกเราเนี่มาพวกรุ่นปลายอะเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ปลายฝนอะ่ะฝนตกแล้วนะก็เหลือน้ําขังรอแต่น้ําแห้งแค่นะนะั้นน่ะถ้าตักใช้พอก็พอตักใช้ไว้ไม่พอก็แห้งต่อไปนั่นก็ของเรานี่ไม่ใครน้อยนะคนที่จะร้องให้ นะแต่ก็มีนะวันที่ไปสังเวชนียสถานบอกไปเห็นที่ต้นโพนี่ก็น้ําตาชักซึมๆึมแล้วละ่ะก็อ่างนั้นไปที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักก็ซึมกว่านั้นอีกไปถึงที่ปริณิพานร้องไห้เลย <c oughs> ก, ก็ร้องไห้เลยไม่รู้ว่าสงสารตัวเองหรือว่าสงสารพระพุทธเจ้าก็งงบอกสงสารตัวเองที่เกิดมาไม่ทันก็งนั้นก็เลยร้องไห้เลยสะเอินใจนะเชื่อไปสามครั้งไว้แล้วก็เฉยเหมดละนะ อ้าวไม่เชื่อก็แบบอะไรนะคล้ายๆกับคนที่ญาติเสียใช่ไหมว่วันแรกร้องให้จะเป็นจะตายนะวันต่อๆไปคิดถึงก็เฉยๆอ่างนั้นก็อย่างนั้ น, นอนัแหละธรรมดาละก็เธอคนที่เสียใจในเรื่องฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจได้เนี่ยนะก็ถือว่าเหมาะสมก็สมควรหมายว่าแต่ว่าให้อาศัยโทมนั์อันนั้นเนี่ยที่เป็นกุศลโทมนั์ที่ดีละโทมนั์ที่เป็น อ, อากุศลแล้วก็อาศัยโสมน ในกุศลเนี่ยมาละโทรมนัตเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยๆละไปตามลำดับก็เสียใจร้องให้เนี่ยนะเพราะว่าแมมถ้าอายุยืนอีกสัก36ปีเนี่ยนะได้ได้ฟังทาแน่แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนอะมานะตอนนั้นอายุร2 0ยไปแล้วเนี่ยนะถ้าจะอยู่ตอนอายุร5 0ยกว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีหูก็ตึงที่สุดเลยนะ ตึงแบบชนิดว่าไม่เหมือนเสียงกลองนะกลองถ้ายิ่งตึงยิ่งตีดังเนี่ยแต่หูเนี่ยโหยิ่งตึงแย่เลยใส่เครื่องใส่ฟังก็แล้วมันอันนะบอกว่าเอา้าเครื่องช่วยหูฟังก็ไม่ได้หรือบอกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไปลองไปทําทุกอย่างสรุปว่ามีตามองเห็นรูปแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันเห็นแต่เขานั่งอ้าปากโดยเฉยๆมันนี้นมียมกันหนึ่งไปไปในงานฟังทำนี่แหละ แล้วก็ไปพอไปถึงก็บอกว่าเออโยมกลับก่อนนะเขาพูดเสียงดังเลยเออปกติเราก็แปลกใจทําไมคนเนี้เหมือนกับว่ามาเอะอะโวยวายตลอดคือเขาก็พูดเสียงดังเนี่ยนะเขาก็เนอคนอื่นพูดเขาไม่ได้ยินเขาเห็นแต่คนอื่นนั่งอ้าปากแต่เขาก็จะพูดเสียงดังมากนะเสร็จแล้วไอตอนที่เขาลา ก, กลับเนี่ยเขาบอกชัดเจนเขาบอกโยมกลับก่อนแล้วนะเพราะโยมอยู่โยมก็ไม่ได้ยินอะไรหรอกเพราะงั้นอย่งกลับก่อนแรกเพร า, านะนั้นเขายังชั่วหน่อยมีหนังสืออ่านนะเขาก็อ่าน บทสรรเสริญพระรัตนตรัยเขาก็อ่านธรรมาจับอ่านอะไรไปอ่านจบ ก, ก็กลับบ้านนะเพราะงั้นถึงอยู่ก็ฟังไม่ออกเพราะงั้นพอดีลูกมาตามก็เลยกลับพอดีเพราะงนันอย่างนี้แหละขันท่าเนี่ยนะมันยากนะทั้นถ้าโอกาสที่ตาจะดีหูจะดีสุขภาพจะดีพอที่จะเป็นภาชนะรองรับการรู้เห็นพระธรรมเนี่ยนะก็ถ้าไม่มีบุญระดับหนึ่งก็ยากถึงผู้ที่มีบุญเก่ามาดีแต่ถ้าตั้งจิตเอาไว้ผิด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 เขาบอกว่าผู้ที่โครจรไปตามเส้นทางโครจรของพระอริยเจ้าทั้งหลายบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละเชื่อว่าดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วอะไรเป็นแดนโครจรแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายโครจรไปในสติ ป, ประฐานสภาพเพียรไปด้วยสัมมปทานสี่เจริญอิทธิบาทสอินรี่ห้าปรละห้า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 วัตทุคุกได้แต่ถ้าหากว่าผ่านพ้นไปนี่ก็น่าสงสารนี่แหละร้องไห้แบบกาละเทวินดาบทเนี่ยนะแล้วก็วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยเทวดาเนี่ยมาร้องไห้กันเป็นหมื่นจักรวาลว่าพระผู้เป็นดวงตาของโลกนี้อันตรานไปเร็วนักวังงั้นนะก็เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์นนะคือถ้าเทียบกับว่าสมมติถ้ามองวันหนึ่งเนี่ยนะมองสมมติว่ามองกลับหนึ่ง เท่ากับวันหนึ่งอ่ะถ้าย่อหนึ่งอายุหนึ่งกลับมาเท่ากับวันหนึ่งอ่ะพระพุทธเจ้าดํารงอยู่45ปีเนี่เท่ากับอะไรพระพุทธเจ้าดํารงอยู่เท่ากับ45วินาทีเท่านั้นเองอะนะเหมือนกับความสว่างอยู่แค่45วินาทีอ่ะซึ่งถือว่าแหมมันสั้นมากอ่ะที่ที่แหมแทบจะลืมเลยว่ามีแสงสว่างว่า ง, งั้นช่วระยะ45วิวนาทีว่า ง, งั้นนั้นถ้าเทียบในระดับอายุกลับนะ พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่ก็เทียงเท่านั้นเองไม่กี่วินาทีนั้นอย่างชีวิตของเราเทั้งหลายเนี่ยใครจะเชื่อว่าเราจะอยู่กันได้อีกนานนะ่ยนะเม่อก่อนเขามาก็นั่ง เ, เออเนี่ยนะแปลกเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมานั่งพูดไปพูดไปคนที่มานั่งเรียนด้วยก็ทยอยจากกันไปปีละคนสองคนปีละคนสองคนน่ยนะจริงนั้นเป็นอย่างนั้นมาทุกหลายปีแล้วล่ะเห็นมาค่อยๆจากไปปีละคนจากเป็นมั่งจากตายมั่งอ่ะนะ ไอคนที่อยู่ก็ทยอยไปไปส่งคนที่ก็ไปก่อนกันน่ยนะก็อย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเอาอะไรเนาะเป็นเครื่องวัดมาตรฐานบอกอ้าวก็ท่านยังอายุน้อยเอ๊ะพวกหลานๆเกิดมาทีหลังก็ตายไปตั้งหลายคนแล้วเนี่ยชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วถ้าไม่แน่ใจเนี่ยทายังไงดีก็ความไม่ประมาทนั่นแหละจึงประเสริฐที่สุดปัญธรรมยังไงให้สติสัมปชัญญะให้ความรู้สึกนึกคิดของเราโคจรไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ทำยังไงให้ใจของเราอยู่กับคําสอนของพระพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดให้ต่อเนื่องที่สุดเพราะจิตเหล่าใดที่โครจรไปในคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตเหล่านั้นเนี่ยนะเบาอ่อนควรแก่การงานนิวรณ์ไม่กลุ่มลมไม่ถูกครอบงามด้วยอภิชาและโทมนัตเนี่ยนะไม่ถูกคลุ้มลมด้วยบาปและอกุโสรธรรมทั้งหลายพันทางเดินที่ถูกต้องเป็นทางเดิน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 พระองค์จะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดย้อนกลับมาเนี่ยนะถึงพระโพธิสัตว์ที่ดวงตาของโลกเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นหลังจากประสูติมาได้5วัน น, นะหลังจาก5วันพระประยุรญาติก็ให้ทําให้สงสนารพระเสียนพระโพธิสัตว์ในวันที่5ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลนะคลอดมาแล้ว5วันเป็นวันที่ต้องอาบน้ําสระศีสระอะไรเป็นต้น เสร็จแล้วก็ปรึกษาว่าจาักเฉลิมพระนามเฉลิมก็คือเรียกว่าเรียกชื่อนะขนานชื่อตั้งชื่อก็เลยฉาบทาพระราชินิเวศด้วยของหอมสี่ชนิดโปรยดอกไม้มีข้าวตอกครบห้าให้หงข้าวมาทุบ ป, ป่าญาติไม่ผสมน้ำใช้น้ำนมเนี่ยหงอย่างเดียวนิมตพรามร้อยแผู้จบไตรเพศให้นั่งในราชินิเวศเพราะสมัยนั้นเนี่ยไม่มีพระภิสุสงอะไรก็มีแต่ศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะหรือฮินดู ให้บริโภคข้าวมะทุปาญาติทมสักการะแล้วให้ตรวจทำนายลักษณะว่าจะเป็นอย่างไรดูสีตั้งกับศีรษะจดเท้าเนี่ยตั้งกับเช้าจดศีรษะทั้งหน้าผากทั้งสีหน้าทั้งแววตาทั้งกิริยาท่าทางกรอบหน้าจมูกคางฟันหูเอ่อท้ายทอยหรือว่าศาีรษะตรงหน้าผากเนี่ยนะแล้วก็ต้นคอบ่าซ้ายบ่าขวาแขนซ้ายแขนขวาฝ่ามือฝ่าเท้านิ้วมือ อะ น, นะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะไล่ไปเรื่อยๆความยาวของมือของเท้าของเขาเขาเรียกว่าเอามาตรวจให้ละเอียดเลยนะอาจารย์เหมือนกันเรียกว่าพวกอาจารย์พวกอะไรนะพวกหมอดูร้อคนแล้วก็แตกฉานในคัมภีมหาบุริลักษณะตัวนี้ต้องแตกฉานทรงจําคำพมมีมหาปุริลักษณะว่าว่ามหาบุรุษเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคาถายาวมากเลยนะเป็นเวทมน์เออเป็นมนชนื่อหนึ่งเขาผูกไว้เป็นฉันทลักเนี่ย น, นะความยาวเนี่ยเป็นเป็นสองพันคาานั่นแหละ